ในคุธการนการอุทานต่อจากครั้งที่แล้วในหน้า668ข้อ149ประถมการ ม, มสสตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่นาพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปินธิกาเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลมนุษย์ทั้งหลายในพระนครสาวัตถีโดยมากเป็นผู้คล่องแล้วในกามเกินเวลา ว่าเป็นเทศกาลของเขาอะนะเทศกาล ท, ที่เที่ยวเพลิดเพลิน เ, เต็มที่เลยมันเป็นผู้กำหนัดแล้วยินดีแล้วรักใคร่แล้วหมกมุ่นแล้วพัวพันแล้วมืดมนมัวเมาอยู่ในกามทั้งหลายแรา ว, ว่าเป็นเทศกาลมีมหรสพจัดกันทั้งบ้านทั้งเมืองครั้งนั้นแลเป็นเวลาเช้าภิกษุเป็นอันมากนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตอย่างพระนครสาวัตถี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 เป็นผู้กําหนัดแล้วยินดีแล้วหมกมุ่นแล้วพัวพันแล้วมืดมนมัวเมาอยู่ในกามทั้งหลายลําดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงเป่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าสัตว์ทั้งหลายข้องแล้วในกามข้องแล้วในกามด้วยธรรมเครื่องข้องนะนะข้องในกามด้วยธรรมะเครื่องข้องไม่เห็นโทษในสังโยชน์ข้องแล้วในธรรมเป็นเครื่องข้องคือสังโยชน์ พึงข้ามโอคะอันกว้างใหญ่ไม่ได้เลยพันด้วยอํานาจของกามด้วยอํานาจของสังโยชน์เนี่ยนะทำให้ไม่สามารถที่จะข้ามพ้นจากวัตฏะได้สรุปในอัตถกถาบอกว่าสัตตาสรรรัตตาเนี่ยสัตสัตเนี่ยอธิบายว่าแปลว่าผู้ติดโดยสรรับนะสรรัตวเนี่ยแปลว่าติดหรือแปลว่าคล่องโดยไม่เห็นโทษที่มีอยู่เนี่ยนะ ระลึกถึงแต่ความยินดีติดข้องเพราะมากไปด้วยอโยนิโสมนัิการนั้นคําว่าสัตว์นั้นก็คือผู้ที่ติดข้องในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมากไปด้วยอโยนิโสมนัิการเมื <ME> ่อติดข้องในรูปก็มองว่ารูปเป็นของงามถ้าติดข้องในเวทนาก็สําคัญว่าเวทนาเป็นศกติดข้องในสัญญาและสังขารก็สําคัญว่าเป็นอัตตาติดข้องในจิตก็สําคัญว่าจิตเป็นของเที่ยงเป็นต้น พันคำว่ า, าสัต์นนแปลว่าผู้ติดข้องในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ ฝ, าฝักใฝ่หมกมุ่นลุ่มลงด้วยอำนาจของอญญโยนิโสมนสิการรัตตาบทว่ารัตตานี้กำหนัดแล้วกำหนัดนักแล้วด้วยฉันทราคะอันเป็นเครื่องทำจิตให้เปลี่ยนแปลงเหมือนผ้าเปลี่ยนไปด้วยการย้อมสีฉะนั้น น, นะก็เรียกว่าถูกจิตใจเนี่ยถูกย้อมด้วยอนานาจราคะ บทว่าคิดทาแปล ว, ว่าติดคือกำหนัดแล้วโดยการเพ่งซึ่งความหวังเป็นสภาวะคธิตาความว่าเกี่ยวเนื่องในกามนั้นเพราะเป็นภาวะที่เปลื้องได้ยากดุดร้อยรัดเอาไว้มุชิตาก็คือไม่มีกิจอย่างอื่นหมกมุ่นงมงายด้วยอำนาจกิเลสดุดคนสลบฉะนั้นอัจโชปนาความว่ากลืนให้สำเร็จตั้งอยทาให้เหมือนสิ่งที่ไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่น บทว่าสัมมตกะชาตาเป็นผู้ถึงความเป็นผู้ดื่มด่ำในกามทั้งหลายคือเป็นผู้มัวเมาเ ม, มาไมในสุขเวทนามีประมาณน้อยทั้งทั้งที่ไม่น่าจะติดข้องพัวพันธ์อะไรมากมายขนาดนี้แต่ก็ลุ่มหลงกันเหลือเกินนี่ันชนเหล่านั้นก็สรุปว่าเป็นผู้หมกมุ่นด้วยตัณหานั่นเอง กาเมสุซ้ําอีกก็เพื่อแสดงว่าสัตว์เหล่านั้นมีจิตน้อมไปในกามนั้นก็คือสัตว์เหล่านั้นเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยกา ม, มาคุณทุกอิริยาบทอยู่ในเวลานั้นถามว่าทําไมพวกเขาเหล่านั้นจึงหมกมุ่นรักใคร่ยินดีติดใจพัวพันมืดมนอยู่ในกามขนาดนั้นเล่ากันมาว่าในสมัยนั้นเวน้นพระอริยาสาวกเสียชาวกรุงสาวัตถีทั้งหมดต่างโฆษณาถึงการเล่นมหรสพ เตรียมพื้นที่การเล่นไปตามกำลังสมบัติที่มีกินดื่มบริโภคกามทั้งในที่แจ้งและในที่ลับบำเรออินทรีย์ให้ถึงความดื่มด่ำในกามทั้งหลายพวกมนุษย์ทั้งหลายพากันเที่ยวบินธบัตในกรงสาวัตถีเห็นพวกมนุษย์ในเรือนนั้ น, น, นและในสวนเป็นที่เรื่อนรมเป็นต้นพากันโฆษณาการเล่นมหระศพมีจิตน้อมไปในกามปฏิบัติอยู่อย่างนั้นพากันคิดว่าเราจัก ไปวิหารได้ฟังธรรมเทศนาอันละเอียดสุ ข, ขุมดังนี้ก็คืออาศัยเหตุการณ์ที่ทุกคนเนี่ยน ะ, ะมันเหมือนกับบ้านเราก็คือเทศการสงกรานต์เทศกาลอะไรเนี่ยนะที่คนเนี่ยเพลดิดเพลินหมกมุ่นติดพันเนี่ยนะก็ไปกราบทูลเรื่องนั้นให้พระพุทธเจ้าทราบพระองค์ก็ทราบโดยอาการทั้งปวงถึงความที่มนุษเหล่านั้นไม่เห็นโทษในกามทั้งหลาย นะอย่างสมัยเมือม่อเมือ่สอสงกรานตที่ผ่านมาเนี่ยนะโอ้ยพากันอันนี้เมาจริงๆเลยนะเมากันตายกันเท่าไหร่หกร้อยกว่าใช่ไหมตายหกร้อกว่าบาดเจ็บสองหมื่นกว่าเสียหายเป็นล้านเออเสียหายเป็นแสนล้านนะนะั่นะมันมากไปด้วยความมัวเมาเพลิดเพลินไม่เห็นโทษในสิ่งที่ตัวเองกําลังเพลิดเพลินและหมกมุ่นอยู่มัน เมื่อไม่เห็นโทษทั้งๆ ท, ท, ที่สิ่งเหล่านี้เป็นของน่ากลัวอดกลั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เผ็ดร้อนมีที่เล่นอันน่ารื่นรมมีความเร่าร้อนมากอันความพินาศเป็นอนเนกติดตามผูกพันเขาไม่รู้หรอกว่ากามเหล่านั้นที่เขาเพลิดเพลินหมกมุ่นเนี่ยนะอย่างหลายคนเนี่ยพิการเลยเนะอนไอ้โทษของความมัวเมาเพลิดเพลิน เ, เหล่านั้นทาให้พิการตามมาบาดเจ็บกร็ร่งกระแร่งกลับมาเลยแหละ นั้นเร่าร้อนเป็นอนเนกด้วยอำ น, นาจของกิเลสการโปร่งเปล่งอุทานอันนี้ประกาศโทษของกามคือรูปเสียงกลิ่นรสและประกาศโทษของกลิ่นเออกิเลสทั้งหลายบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ากาเ ม, มสุสัตตาความว่าผู้กําหนัดมัวเมาข้องสร้างไปติดพัวพันประกอบในวัต ถ, ถุกามด้วยกิเลสกามเนี่ยกิเลสกามตัวนี้แหละมัวเมาในวัตถุกามข้องในวัตถุกาม ติดพันในวัตถุกรรมประกอบอยู่ในวัตถุกรรมบทว่ากามสังฆสัตตาเชื่อว่าผู้คล้องคือมาคล้องด้วยเครื่องคล้องคือราคะคล้องด้วยเครื่องคล้องคือทิฏฐิมานะโทสาวิชานในวัตถุการมทั้งหลายคือจิตใจเนี่ยวังด้วยอำนาจตันหาในวัตถุกรรมมีมิจฉาทิฏฐิในวัตถุกรรมมีมานะโดยอาศัยวัตถุกรรมกริ้วโกรธเพราะสูญเสียวัตถุกรรมเป็นต้น นะปอกเปิดไม่ให้เห็นศธรรมไม่ให้รู้จักความเป็นจริงบทว่าสังโยชนวช์วัชะมะปั ส, สมานาความว่าไม่เห็นโทษคือโทสะโทสะคืออาทินบเนี่ยนะทนบโทสะตัวนี้ไม่ได้หมายถึงโกรธนะแต่หมายถึงโทษนะนะพิษภัยทุกโทษอะอาทีนบอันชื่อว่ามีวัตตทุกข์เป็นมูลเป็นต้นคือไม่รู้รอกว่าความเพลิดเพลินนะั้นะนะเป็นมูลของวาตาัตตะ เป็นมูลของการเวียนว่ายตายเกิดเป็นมูลของสังสารทุกข์คือไม่เห็นว่าพิษภัยทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้าที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะมีจิตใจเนี่ยมีปกติเห็นแต่ความยินดีในธรรมะเป็นเครื่องประกอบสัตว์เอาไว้ในกิเลสปกติแล้วหมกมุ่นด้วยอำนาจฉันทราคานี่นะกิเลสมันยอมการมาราคาเหล่านั้นชื่อว่าสังโยชน์สังโยชน์เพราะอะไร ล้ามกรรมวัดให้ติดไว้ในวิปากวัดล่ามกรรมเอาไว้ให้มีผลล้ามบุญให้มีผลล่ามบาปให้มีผลลักษณะนั้นเรียกว่าสังโยชน์หรือว่าล่ามกับภพเอาไว้กับภพล่ามภพเอาไว้กับภพล่ามชาติหนึ่งเอาไว้ชาติหนึ่งมันล่ามกำเนิดไว้อีกกำเนิดหนึ่งมันไม่ให้ไปออกจากวัตฏะให้วนเวียนเวียนวนอยู่ในวัตฏะนี่แหละหรือว่าล่ามสัตว์เอาไว้ในทุกล่ามเอาไว้ในชาติชรามรณะ โสกะปริเทวทุกโทมนัสและอุปาญาตเป็นต้นบทว่านาหิชาตุสังโยชนะสังคสตาโอคังตรายงวิปุลังมหันตังความว่าสัตว์ทั้งหลายผู้ข้องอยู่ในธรรมเป็นเครื่องข้องอันมีสังโยตเป็นสภาวะเพราะไม่มีการเห็นโทษอย่างนี้หรือข้องอยู่ในธรรมะที่เป็นไปในภูมิสามอันเป็นอารมณ์แห่งธรรมะเครื่องค้องเหล่านั้น ด้วยทำเครื่องข้องกล่าวคือสังโยชน์ก็พูดแบบภาพรูปประทหน่อยก็คือเหมือนกับสุนัขที่ถูกล่ามโซ่นั่นแหละถูกล่ามมันจะกระดิกกระดิกไปไหนก็เดินวนๆแต่รอบหลักนวนรอบหลักได้แต่ออกจากหลักไม่ได้สังโยชน์ที่ล่ามเอาไว้กับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ฉันนั้น เราสังเกตดูนะเราถูกล่ามจากเห็นก็ไปได้ยินจากได้ยินก็รู้กลิ่นรู้รสรับกระทบโพธาภะนึกคิดมาเห็นได้ยินก็ถูกล่ามอยู่เท่านี้วันๆหนึ่งนี่อะไรถ้าคิดไปจริงๆแล้วนะมันก็มีอยู่แค่หกทวารแต่และท ว, วารก็ถูกล่ามให้ติดให้ผัวพั น, ใ ห, พนให้ติดให้คล่องอยู่นั่นแหละคล่องอยู่เท่านี้ไม่ใช่อยู่แค่อารมณ์เท่านั้นก็ยังเวียนว่ายตาเกิดอยู่ในกามาพบเป็นต้นโดยมากก็อยู่ในกามาพบะนะไม่ค่อยเลยไปหารูปประพบสักที นานสักทีหนึ่งจะได้เลยไปถึงรูปประพบปกติหมกมุ่นอยู่ในการมปรพบการมปพบทั้งสุขคติและทุกคติโดยมากสุขคติหรือทุคตินะถ้ามีบุญก็สุขคติใช่ไหมแล้วก็ไอ้สังโยชนีน่นะมันเป็นตัวร้อยรัดก็เลยจมอยู่ในโอฆะโอฆะตัวนี้เนี่ยทั้งกว้างขวางหนาแ น, น่นแล้วก็ใหญ่มากโอฆะคือสงสารกว้างขวางวัตตนนี่มันกว้างขวางจริงๆขวางขนาดไหน กว้างขวางขนาดไหนกว้างขวางถึงขนาดว่าย้อนระลึกถึงภูมิหลังเนี่ยออย้อนยังไงก็ย้อนไม่มีจบมีสิ้นย้อนไปเถอะถอยหลังไปเถอะถอยอยังไงก็ไม่มีจบมีสิ้นแล้วข้างหน้าต่อไปล่ะเมื่ อ, อไร่จะจบถ้ายังถูกล่ามอยู่อย่างนี้ต่อไปเนี่ยนะเมื่ อ, อไรจะสิ้นเมื่ อ, อไหร่จะสุดเมื่ อ, อไรจะจบเมื่ อ, อไรจะพ้นไม่พึงถึงฝั่งแห่งโอหันั้นโดยส่วนเดียว เพราะถ้าหากว่ามีจิตใจผูกพันหมกมุ่นลุ่มหลงครุ่นคิดเพลิดเพลินหลงไหลอยู่ในลักษณะนี้อยู่เนี่ยนะที่จะออกไม่มีทางหรอกอแล้วถามว่าทำยังไงที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ทำยังไงก็ต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องนำออกจากวัตตะคนที่พิจารณาอย่างนี้เนี่ยนะจะต้องรู้จักว่าสิ่งเหล่านี้น่ายินดีแค่ไหน จะต้องรู้จักเรียกว่าความน่ายินดีความน่าเพลิดเพลินของสิ่งเหล่านี้ต้องทำความเข้าใจให้ดีว่ามันน่ายินดีขนาดไหนเมื่อยินดีแล้วมันปกปิดความจริงอะไรไว้บ้างแล้วความจริงของสิ่งเหล่านั้นประกอบด้วยพิษภัยทุกโทษอย่างไรมีข้อปฏิบัติที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรแต่ที่สำคัญที่สุดนะเราจะต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้ความติดข้องขนาดไหนพิษภัยของเขามีแค่ใดปานใด ถ้าเรารู้จักพิภัยแล้วจะปฏิบัติออกจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรถ้าใครเข้าใจอย่างนี้ก็สามารถที่จะวิจัยเลือกเฟ้นพิจารณาอริยศัสตร์ได้เพราะคำว่าสังโยชน์สังโยชน์เป็นชื่อของอะไรสมุทยัยสัจจะ น, นะสงสารก็เป็นชื่อของทุกขสัจจะ มันหมูสัตว์ทั้งหลายติดข้องในทุกขสัจจะทํากรรมด้วยอำนาจของสมุทยาสัจจะก็ไหลเวียนกันอยู่อย่างนี้พบแล้วพบเล่าอย่างว่ามีเบื้องต้นอันตามรู้ไม่ได้แล้วถอยหลังไปเถอะเนี่ยนะมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนะหลายคนก็ถามว่าเราเนี่ยเกิดมาตั้งครั้งแรกเมื่อไหร่เราเกิดมาครั้งแรกเมื่อไหร่ตอบได้ไหมใครตอบได้บ้างเราเกิดมาครั้งแรกเมื่อไหร่ใครตอบก็โง่ อ้าวเรามีที่ไหนล่ะไอคำว่าเราอยู่เป็นพื้นฐานเนี่ยโดยปกติเนี่ยด้วยอำนาจของสกายธิฐิเพราะสำคัญว่าเรามีอยู่แต่ถ้าถามว่ากระแสแห่งขันท่าอาย ต, ตนะไหลสืบเนื่องมาตั้งแต่อย่างนี้เมื่อไหร่หรอกถามหาไม่พบหรอกถ้าพบนี้ก็เริ่มมาตั้งแตช่ชาติชรามรณะโศกปริเทวะมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก่อนที่จะมาชาต มาเกิดมาจากไหนก็มาจากกรรมกรรมมาจากไหนก็มาจากตันหาวิชาตันหาวิชามาจากไหนก็มาจากอายตนะอายตนะมาจากไหนก็มายากกรรมกรรมมาจากไหนก็ไล่สืบเนื่องกันไปอย่างนี้มีแต่เชื่อมโยงกันอยู่ในสังสารทุกข์แต่ที่ถามว่าเราเนี่ยเกิดครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้แหละถ้าใครเดินตามก็ถือว่าลุ่มหลงเป็นคําถามที่เขาไม่ตอบกันหรอกคุณเอาอะไรเป็นเราเอารูปหรือเป็นเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือ เป็นเราเป็นต้นพนั้นพื้นฐานที่ตั้งคําว่าเราเราเราเรานําหน้าทุกเรื่องเนี่ยนะแม้กระทั่งคําถามที่ได้ฟังแว้บๆออมาบอกว่าธาตุหัน์เกิดขั้งแรกเมื่อไหร่อย่างนี้หรือวาถามอันนี้อยู่บนพื้นฐานสัตธรรสัญญาหรืออยู่บนพื้นฐานส ก, กายติฐิบัณฑิต จ, จะไม่ตอบเพราะคนถามอย่างที่พญมาการบอกว่าสัตว์ตายแล้วศูนย์พญมการนี่สําคัญว่าสัตว์ตายแล้วศูนย์คำถามอันนี้ก็ถามอยู่บนพื้นฐานของ สักกายทิฏฐิว่าอะไรเป็นอรหันต์รูปใช่ไหมเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณคืออรหันต์ใช่ไหมอะไรคืออรหันต์ล่ะพันพื้นฐานเนี่ยต้องทำความเข้าใจว่าโดยแท้จริงแล้วสัตว์ไม่มีแต่ความที่สังขารธรรมทั้งหลายประชุมการจึงสาคัญว่าเป็นสัตว์เป็นต้นเนี่ยนะแม้กระทั่งคาว่าพระอรหันต์เนี่ยเป็นโวหารกระถา เป็นปุคละกถาที่เอาไว้พูดให้รู้กันว่าสําหรับผู้ที่บําเพ็ญกิจสิบหกเสร็จแล้วเนี่ยนะสำหรับผู้ที่บําเพ็ญกิจสิบหกเสร็จแล้วเขาจึงเรียกว่าเป็นพระอรหันต์โดยโวหารกถาเป็นสมมุติกถาเป็นปุคละกถาคําว่าพระอรหันต์เนี่ยเป็นปุคละกถาแต่ว่าสภาวะแห่งอรหันต์คืออรหัตผลเป็นเป็นอะไรธรรมะเป็นสังขารธรรมที่ถูกอริยมรรคเป็น ปัจจัยและอริยมรรคมาจากปัจจัยอะไรเป็นต้นก็มีแต่สาวแต่เหตุและผลเท่านั้นก็มีความจริงก็มีแต่สังขารธรรมเท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าไปถามในลักษณะบุคคลกระถาเมื่อใดถ้าผู้ใดลุ่มหลงติดตามก็เข้าใจผิดพลาดเพราะว่าพื้นฐานไม่ได้อยู่บนการวิเคราะห์ข้อมูลใช่ไหมแล้วเราเนี่ยไปจบที่ไหนเราเนี่ยสิ้นสุดที่ไหนอันนี้ก็เป็นปุคลากถาแต่พวกปุถุชนทั้งหลายสําคัญว่าเป็นจริงเข้า